เอ่อวันนี้ตรงกับ 26 เดือน 2533 ก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท พระภิกษุบรรดาท่านพุทธบริษัทโสดาบการปฏิบัตินั้นปฏิบัติกันแบบสบายๆแต่ว่าสิ่งที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูป หือมาก็ฟังสวดมันก็อย่า <S an ian> <S an ian> สมมุติว่าไม่ทําจริงจังก็หมายความว่าไม่สิไปนั่งเครียด <c oughs> เมื่อเห็นแรงรักแล้วอรโลอ่างกายของคนเต็มไปด้วย สาวสาวบางทีก็เห็น ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงเวลาก็ปานอย่างชมว่าอย่าใช้ไม่ได้ถ้าต่อมาไม่ ก็ใกล้จะสุดเกษมมือบางมาบางคนเนี่ย คัมภีร์จากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดบ้านแพรเดินตัด 2 <c oughs> วันก็ถึงวัดหลวงพ่อ อ่านเอาตามหนังสือลําพะปันก็แล้วกันแต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอนท่านได้พูดถึงวิธีสอนมากมายนักวิธีสอนของท่านก็คือ 3 ผ่านไปแล้วพอวันที่ 4 ท่านนี้ในชื่อมนฑโน่ 80 ปีอายุนี่ก็ไม่แน่นอนไม่ <c oughs> แต่ว่าคืนวันสวยสดงามสวยหน้าตาอิ่ม 28 ปีหรือ 30 ปีที่มี คันเก่งคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมากในเมื่อท่านสงสัยท่านก็กวักมือเรียกบอกว่า พอจะเข้าไปกราบท่านแล้วก็ชี้มือไปกราบพระประธานก่อนก็กราบพระประธานด้วยความเคารพขณะ อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพ่อเนียมก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเนียมเป็นพระสอน ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคน ที่ทํามันใจให้ทรงตัว การเจริญกรรมฐานจงจะถือเอาเวลาก็ยังถือว่ายังไกลต่อมรรคผลมากเพราะขึ้นชื่อว่าความจริงนิพพานนาญาณเค้าแปลว่า มันมีอยู่กับเราทุกขณะมีอยู่กับเราทุกขณะขั้นทุกขณะที่ ว่าสมัยก่อนเค้ามีก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวด ท่าน ถ้าเวลาร่างกายสุดตัวลงชาโลกิณจะ คอที่เสียอารมณ์ 5 สงสัยใน 5 ประการในอย่างใดอย่างหนึ่ง เธอปรารถนาพุทธภูมิจริงแหละ อันแต่หมายความว่าการทรงฌานโลกีย์เนี่ยยังมีความโง่อยู่มากฌาน 1 2 3 4 5 6 7 8 เธอสามารถจะทําเมื่อไหร่ก็ แห่งการชนชงชานโลกีย์ในเมื่อ เป็นของเบาของเบาเราต้องทําแบบเบาๆแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ให้คนฟังคนเค้าฟัง ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายาก พูดง่ายๆก็คือความชั่วมี 3 อย่างคือสกายิกตานก็ 1 สกายาทิฏฐิ 2 วิจิ 3 สังจิตตปะปรมาทสําหรับใน ก็จงอย่าๆน่ะเพ้อไปแต่ก่อนจริงๆใน พระสหันนท์ได้ถามว่าภิกษุเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหมทุกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันข้าเจ้าค่ะ ท่านถามว่าประการที่ 2 เธอมีความสงสัยในพระไตรสนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์เนี่ยสมมุติเสื้อท่านบอกว่าอภิสมาจารย์เนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจริยาเล็กน้อย นอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องวจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่ มันกำลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดหรือต้องการคิดการปฏิบัติทางจิตเนี่ยฝืนกำลังใจถ้ามาเรื่องตามีความรู้สึกเกิด 29 อย่างมีอารมณ์ทรงตัว 11 ชอบใจกองไหนทํากองนั้นเวลาที่จะคิดก็ได้อย่างอสุภกรรมฐานก็ได้มรณานุสติกรรมฐานก็ได้กายวิญญาณานุสติกรรมฐานก็ได้ เป็นการเฉฉสายเฉพาะจุด 40 ใช้ได้ 40 เธอ เนี่ยละนี่ต้องคล่องเข้าใจของตัวเอง ก็ถามท่านบอกว่าปรารถนาพุทธภูมิต้องตัดสังโยชน์หรือท่านบอกว่ามัน 3 ข้อไม่ได้เราก็มันอยู่ของอบายภูมิเรายังมี ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีงั้นเมื่อท่านเลยบอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรกับการปฏิบัติไม่สังโยชน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคร่องทุกอย่างตั้งแต่อนาปานนติถึงสังโยชน์ 10 ต้องมีการ ไสยอมรับก็จะปฏิบัติตาม 3 ได้ดีเห็นบ่พิจารณาทั้ง 3 องค์ คฤหัสถ์ข้อนี้พวกเธอก็สบายภาคเวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ป้ายแล้วใช่ แต่เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยชน์ได้ความเลิศของจิตยืนดี ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่ เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานสูญแควความสุขจากนิพพานมา เราเกิดเรื่องว่าสุขก็ไม่ได้แล้วเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องมึงก็ขอที่พูดว่านิพพานสูญด้วยความจริงนิพพานที่พูดวันนี้ไม่ ทิพย์ที่นั้นเราต้องใช้อุปสมะอุปสมานัฏฐิกรรมฐานเข้าควบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพาน ไม่ลืมความตายการนิ 3 ทักเคารพพระไตรสนาคม ที่ประการ 1 การสังเกตจิตถ้าสังเกตว่าๆจะไม่กระทบกระเทือน <c oughs> ไม่แค่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธโกรธมีแต่มันมันโกรธแต่โกรธเบากว่าโกรธเล็กกว่าโกรธ ให้ใช้เป็นกําลังจะมันกําลังป้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ มีอะไรสงสัยท่านคนที่อยากเพิ่งได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่า <โ อ. S 1> แม้จะทรงสมาบัติ 8 สมาบัติ 8 มันเป็นของเด็กเล่นเหลือฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัติ 8 ดีแต่ก็จงอย่าคิดว่า ให้ 8 คือเครื่องป้องกันอันตรายและกำนายหรือ บางคนที่บอกว่าเจริญภาวนาฐาน เธอสงอ๋องนี่สนมากชอบเล่นนอนชอบเล่นนี่ชอบเล่นฤทธิ์องค์กันไม่สุขคนอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากิน พูดมาก็ไม่ได้